بسم الله الرحمن الرحيم อินน الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إ ل إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ب ا ل ه د, د ا ودين الحق ليظهره على الدين كله و ل و ك ر ه الكافرون ولاوكره المشركون ولاوكره المنافقون اللهم بك أصبحنا وبك أمشينا وبك نموت وبك نحيا وإليك النشور اللهم u ن ت ربي لا r ل ه b ل ا a ن ت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستطعت ا ا أبوؤلك ب ن ع م ت ك علي و أ, إ, إ, أ ب و بذنبي فغفر ا لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم u ن ي a ع و ذ بك من شر ما صنعت Assalamualaikum warahmatullah i wabarakatuh. Peningkiran <tinyong> namaat subuh, lalu namaat fajar. Dulu kasih meja Allah Subhanahu Wataala, yang Allah hantar kita untuk beribadah. ก็คือการลุกขึ้นมาทำอิบาดะหมายถึงนมาตที่มัสยิดซึ่งเป็นบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานหูวตาลาหลังจากที่เราได้นอนหลับไปเมื่อคืนนี้ดุอาบทแรกที่เราอ่านบนที่นอนอัลลอฮฺมะบิกะอัลบัพนาวบิกะอัมไซนา วับิกะนมุตุวับิกะน حياء ไวไลคันนุชูรดูอาตรงนี้เป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยให้ให้เราเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ในตอนเช้านะครับอัลลอฮุมมับิกะอัสบะนะวับิกะอัมไซนะวับิกะนมุตุไวไลคันนุชูร อัล h a m d er u l oh, i l e. l like a h i l a l i h a y y a n a นี่เป็นดวงตอนตื่นนอนโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันตื่นขึ้นมาบาดามาอามาตนะหลังจากที่พระองค์ให้ฉันเนี่ยตายไปนอนหลับนี่หมายถึงการตายนอนหลับกับตายเนี่ยเหมือนกันทรงเดียวกันความรู้สึกไม่มีเหมือนกัน ท่านคนที่นอนหลับกว่าคนตายเนี่ยลักษณะเหมือนกันบาดามาอามาตนะวาอไลหินนูชูดและไม่ชาเราก็จะต้องกลับไปหาอัลลอ์นะครับทุกคนต้องตายหมดนะไม่มีใครไม่ตายความดีที่ทำเนี่ยต้องทำจนกว่าจะตายนะเพราะว่าอายะสุดท้ายที่เราอ่าน ในสุรัตที่สิบห้าสุรัตอัลฮิจุก่อนที่จะอ่านอัตาอะมรุลลอฮิฟลาตัสจาจิลูอขยะสุดท้ายของสุรัตที่ผ่านมาเนี่ยอ่านว่าไงนะข้อสุดท้ายนี่ก็คือวาบุดรบบะกะฮัตตยาติยากัลยะกิมเนี่ยตรงนี้แปลว่า อัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดแล้วก็บอกกับคนที่อ่านคุรานทุกคนบอกว่าจงพักดีจงแสดงตัวเป็นบ่าวจงวาบุษจงพักดีต่อพระพุทธอภิบาลของท่านฮัตตาแปลว่าจนจนกระทั่งยาตียากลยตีนยาตีนแปลว่าอัลเมาต์ความตาย จนกดความตายจะมาพบกับท่านนี่อัลลอฮ์สั่งนะสั่งกรรสั่งกรรมกดีมุฮัมมัดบกมุฮัมมัดเอ้ยจงพักดีต่ออัลลอฮ์เขาว่าอิบะาดาเนี่ยว่าบุตรเนี่ยอิบะดาหมายถึงทําตามที่อัลลอฮ์สั่งทําแล้วอัลลอฮ์พอใจความดีทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะนามานอย่างเดียวความดีทุกชนิดที่ทําเนี่ยอัลลอ ต้องทำตามที่อัลลอ์สั่งแล้วอัลลอ์จะพอใจจึงเรียกว่าอิบาดะห์ว่าบุตรจงทำอิบาดะห์ต่อพระผู้อภิบาลของท่านจนกว่าอัลยากีนอัลยากีนเนี่ยอิมามบุคารีแล้วก็อุลามารุ่นแรกๆเลยพวกซาลัฟทั้งหมดเนี่ยเขา อ, อธิบายว่าอัลเมาต์เือความตายยากีนนี่แปลว่าความความควา ม, ว า, มายที่ว่ายเก็นยาเก็นนั่นแหละ ยากินแปลเจอสองอย่างแปลว่ามั่นใจแต่ตรงนี้แปลว่าความตายจงทําความดีจงพักดีต่ออัลลอห์ผัวอาิบานของท่านจนกว่าความตายจะมาประสบกับท่านเนี่ยเห็นไหมมุสลิมเนี่ยต้องนมัสารจนกว่าจะตายมุสลิมจะต้องอ่านคุรานจนกว่าจะตายทําความดีต่อญาติพี่น้องจนกว่าจะตาย จงกว่าเราตายหรือเขาตายใช่ไหมเนี่ยเป็นความดีทั้งหมดแล้วเอาล้อพึงพอใจเอาวันนี้อัลฮัมดุลิลละเราขึ้นสูรใหม่นะเรียกว่าสูรตุนนัชลูอันนัชลูนี่แปลว่าพึ่งนะแปลว่าพึ่งอันนัชลูแปลว่าพึ่งทำไมอัลลุฮฺ س ب ح า ن ه และ ت ع จึงเอา จงเอาเรื่องพึ่งเนี่ยมาอธิบายมาพูดไวในกัมพี์กุลอานเพื่อให้เราใช้ปัญญานี่ยแหละเรื่องพึ่งนี้อลัลลอฮ์ต้องการจะเล่าให้เราฟังว่าตัวพึ่งเนี่ยมันเหนื่อยนะมันพยายามมันทํางานมันทําอะไรบ้างเนี่ยอลัลลอฮ์สั่งนะอลัลลอฮ์สั่งพึ่งเนี่ยให้หาอะไรนะหาน้าหวานเกสรจากจากเกสร น, นะ ทำงานทั้งวันเลยไม่มีวันหยุดจนกว่ามันจะตายเหมือนกันแล้วก็ไปเก็บนาะไปเก็บเ ก, บเกบสรไปเก็บน้ําผึ้งจากไปเก็บน้ําจากเกสรมาเอาไว้ในรังในรังในรังในรังในรังพอเก็บไว้สะสมไวต้ตรงนั้นตรงนั้นกลายเป็นน้าผึ้งและน้ําผึ้งเนี่ยเป็นยังไงในคัมภีร์อกุรอานในสุรานี้แหละนะครับอายาที่หกสิบแปดเนี่ยเดี๋ยวอ่านไปจะเจอนะ ชีฟาอุลลินนาสน้ำผึ้งนั้นมีประโยชน์เป็นไรนะเป็นยาน้ำผึ้งน้ำผึ้งนั้นเป็นยารักษาโรคชีฟ้าอุลลินนาสเป็นยารักษาโรคของมนุษย์ท่านมนุษย์นี่นะใครที่มีน้ำผึ้งเก็บไว้นี่นะที่บ้านเนี่ยโอ้โหแล้วก็ทานวันละเท่าไหรอ่อ่ะวันละสองช้อนสองช้อนแค่นั้นแหละ วิธีทานพะทางี้อยา่าเรากลับมานเหนื่อยจากข้างนอกเนี่ยเอาน้ำอุ่นๆ น, นะน้ำผึงออ้งสักช้อนหนึ่งเราคนบิสมิลลาอัลฮัมดุลลาห์แข็งแรงอลแข็งแรงอินทาพาลัมเนี่ยน้ำผึ้งนี่พยายามเก็บเอาไว้วันหนึ่งให้ทานอินตาพาลัมเจ็ดเม็ดตามซุนนะนาบีอัลลอฮแข็งแรงหมดเลย บรรดาสัฮา บ, บานบีเนี่ยไม่ได้กินยาโดเปไม่ได้กินยาใดนะยาสมุนไพรแบบพวกเราหรอกนี่แหละน้ําพึ่งนี่นะนบีทานนบีสัฮา บ, บานบีทานด้วยกันทุกคนร่างกายแข็งแรงไม่พ้ยามาต้องถามว่ามีกี่คนถามว่าลูกกี่คนลูกกี่คนมีฮะดีสรายงานแตว่าท่านอานาสมีลูกแปดสิบคนถามว่ากินอะไร แข็งแรงใช่หไหมหนึ่งนมาตะหัดยุตเป็นประจำนี่เป็นยาโดบที่ดีที่สุดหัดยุตนมาตะหัดยุตแล้วก็ทําใจให้สะอาดอัลลอฮฺเป็นยาบารุงหัวใจที่ดีที่สุดไม่อคติไม่อิจฉาคนอื่นใจสะอาดใจสะอาดนี่เป็นยาโดบที่ดีที่สุดแล้วก็ดื่มนมอะไรนะนมนมแพะ นมแพะกับนมอูดโอโลอักวะแข็งแรงอ๋อทำอยู่เลยแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณเจ็ดวิตามินด้วยกันที่บรรดาสวาวบานนบีทานอยู่เป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นน้ำผึ้งเนี่ยมีประโยชน์สำหรับมนุษย์และอลัลลอ์ก็สั่งอลัลลอ์สั่งนะว่าให้นี่แปลว่าสื่อสื่อกับสื่อกับตัวผึ้งอะว่าผึ้งเนี่ย ทำรังที่ไหนในคัมภีร์คุณอานอธิบายเลยว่ามีที่ทำรังอยู่สามที่ดูกันหนึ่งอัลจิบาลที่ภูเขาสั่งให้พึ่งเนี่ยทำรังตามภูเขาอันที่สองอัชชารให้ทำรังตาม ต, ามต้นไม้อันที่สามวามิ ม, มายาริชูนแล้วให้ทำรำพึ่งที่ก่อร้านขึ้นมา ที่ก่อรานขึ้นรานขึ้นมาตามกิ่งมงพวกเนี้ยให้ทำอยู่สามแหลนด้วยกันถามว่าเพิ่งเคยบินอาไมมเคยทำอะไรอุตรีกไหมเคยทาบินอาไมไม่เคยมันก็ทำตามที่อัลลอฮสื่อก็เขานี่ยแหละอย่างนี้เป็นต้นทำอยม่แล้วนะฉะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญเนี่ยไม่มี ถ้าเราอ่านอายานี้สุรนี้เรื่องพึ่งเนี่ยทำเราจะรับความรู้เยอะด้า น, นเราเองก็ต้องเหนื่อยให้ดูพึ่งนั่นแหละเหนื่อยทั้งวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะทีนี้พึ่งเนี่ยเรียกในภาษาหรบว่าไง อ, อันนหารูต้องการจะอธิบายเหมือนกันว่า พูดถึงความโปรดปรานที่อัลลอ์ได้ประทานให้กับมนุษย์ตูที่พึ่งนี่มันทำงานยังไงอรู้แล้วแล้วก็น้ำพึ่งมีประโยชน์ยังไงวันนี้เพิ่งรู้โอ้ยทำอยู่ในกุรานทั้งหมดฟีฮิชีฟาอุลลินาสน้ำพึ่งมีประโยชน์สำหรับมนุษย์ใครพูดว่ากินน้ำพึ่งแล้วเป็นบาหวานไม่มีน้ำพึ่งแท้ๆนะไม่เป็นบาหวานไอ้น้าพึ่งปลอมๆจะเป็น ไอ้น้ำผึ่งปลอมจะเป็นจะรู้ได้ไงน้าพึ่งปลอมน้าพึ่งแท้เนี่ยเขามีวิธีวิธีเช็คนะเหลืมแพกเช็คเป็นว่ า, างั้นต้องถามฮ ا เชลอ้ามดูดลีแลอาลองอธิบายน้าน้ำึ่งจริงรู้ยังไงนงจริงก็เอากระดาษทิชชู่รชู่เนี่ยนะนนยอืมอืมอืมวางแล้วเอเพกน้ำผึ้งใส่ออื ม, อ ม, อม มันจะไม่ซึมล ง, งไปกระดาั่โอ้อ่าีเข้าใจแล้วนะเอาททชชู่ ว, วางแล้วเอาน้ำพึ่งเทไปนิดหนึ่งถ้ามันไม่ซึมหยดเดียวนะแต่มันไม่ซึมออกข้างนอกแ ส, สดงว่า น, น้ำพึ่งแท้ทัามันซึมของกลองทำนดหนึนี่วิธีเช็คเช็คง่ายง่ายาพี่น้องก็ลองเช็คดูนะตามบ้านครับครับ เอาขอบคุณอัลลอฮ์วันนี้เราขึ้นสุรร๊อใหม่นะครับอันนหฮลูมาดูกุรอานในย่อแรกนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรรฮิยิมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงปราณีอัลราะห์มานอัลรรฮิยิมผู้ทรงเมตตาเสมอเราจะทำอะไรก็ตามเลยให้เริ่มต้นด้วยบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรรฮิยิมทุกครั้งไป จะเข้าบ้านจะบิสมิลลาฮิร r มาน a n i r rahim จะทานอาหารบิสมิลลาจะดื่มน้ำบิสมิลลาจะนอนบิสมิลลาจะขึ้นรถบิสมิลลายังน้อยจะกล่าวพระนามอัลลอฮ์และมีดวงอาทิดตามมาอีกก็ค่อยๆเรียนกันไปก็แล้วกันนะอาตาอัมรุลอฺฟาละตัสตากิล سبحانه وتعالى مما يشركون อาตาอัมรุลลออาตาแปลว่าได้มาแล้วอาตาแปลว่าได้มาแล้วอะไรมาครับอัมรุลลออัมรุลลอ้นี่แปลว่าพระบัญชาหรือคําสั่งของอัลลอฮ์คำว่าคําสั่งนี่ในตัฟซีดอธิบายอย่างนี้ หมายถึงอาซาบอัมรูปแปล ว, ว่าคำสั่งที่นี้หมายถึงอาซาบการลงโทษของอัลลอฮ์มาแล้วสาเหตุที่อัลลอฮ์ประทานอายานีลงมาเพราะอย่างนี้ผู้ปฏิเสธคนไม่เอาศาสนาคนกาฟิรินคนกาเฟต ค, คนมุชริกที่อยู่กับท่านนบีที่นครมักกาณ์นั่นแหละ แรงยิ่งกว่าพวกเรานะคนรุ่นนั้นนะโอ้โหอย่างอบู ล, ละฮับับูยหฮันพวกนี้โอ้โหแล้วใครจะใครมีหคนครั้งที่แล้วที่ระบนนะววลาดอัสอาดีอัสวัสดพวกเนี้ยผู ว, วางแผนทำลายนาบีฆ่านาบีอลัลลอฮ์ทาลายหมดด้วยโรคเบาๆโรคเล็กๆไม่น่าจะตายอลอเล่นงานหมดนะอะไรบ้างอีกคนหนึ่งน้าเกี่ยว ปลายธนูเกี่ยวขานิดเดียวเป็นแผลตายอีกคนหนึ่งเนี่ยน้ำตามที่อุ้งเท้าตายอีกคนหนึ่งพับปากไปเป็นแผลเป็นเม็ดเนี่ยร้อนร้อนตายแล้วก็อีกคนหนึ่งก็นั่งอยู่โคนต้นไม้กิ่งไม้ร่วงลงมาถูกศีรษะนิดนึดนดนดนงตายเนี่ยที่ต้องการจะบอกว่าอาตาอัมรุล การลงโทษของอัลลอ์มาแล้วสาเหตุที่พูดคำนี้เพราะคนมุชริ ก, กวันนั้นเนี่ยนบีสอนนบีสอนมาว่าพุกท่านทั้งหลายเชื่อไหมคนที่ไม่เอาศาสนาคนที่ปฏิเสธอัลลอ์คนที่ไม่เอาซนะุนนะนบีเนี่ยถ้าหากการลงโทษของอัลล์นบีพูดว่าพวกคุณเนี่ยระวังให้ดีจะทุกจะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮ์น่ะ ปุ่นีมกรเทาว่านายละ่ะนหยล่ะนหยล่ะนายละ่ยล ะ, าละมาหอกมาหักคอเฉยี่อะไรนักรองเมืองไทยมีอยู่คนยังไงวะ่ะชื่ออะไรอ่ะที่ร้องร้องเพลงดาอัลลอฮ์ดานาบีอในในเพลงมันก็บอกไงนะแต่หากอัลลอฮ์มีจริงก็ลงมาหักคอมาสิมันพูดมาทั้งนานแล้วมาเห็นหักคอสักทีหนึงก็เดินเลยดา่าใช่ไหมฉะนั้นอาญะนี้ต้องการจะบอกว่า อาซาบของอัลลอฮฺนามาแล้วแต่ยังไม่ถึงคุณกําหนดแล้วอาซาบมาแล้วแต่ยังไม่ถึงแบบว่าน้ําอะไรนะน้ำท่วมอ่ะตัวนี้อยู่จังหวัดอะไรรู้แล้วใช่ไหมแต่แต่นี่อนนี้มันไม่ใช่มาแบบน้ําเนี่ยมันมันเห็นอันนี้มันไม่เห็นนะ่ะอัลลอฮฺให้การลงโทษกําหนดแล้วกับคนนี้จะต้องถูกลงโทษแน่ๆแต่ยังมาไม่ถึงตัวเองทีนี้ อาซาเป็นอย่างี้อาซาบของอัลลอฮ์เนี่ยนะอัลลอฮ์บางคนอัลลอฮ์ลงโทษบนดุนยาอย่างมีอยู่ห้าท่านเมื่อกี้นี่ใช่ไหมล่ะมีใครบ้างนะอวลาดอาลอาดีอัสวัดอัสวัดมีอยู่สองคนใช่ไหมนี่ห้าคนนี่อัลลอฮ์ลงโทษบนดุนยาเลยแต่นี้ส่วนมากเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษในวันอะคริร ในวันกียามะในวันอาคิรอส่วนใหญ่อัลลอฮฺจะลงโทษตอนตายนะครับแต่ก็บางคนอัลลอฮลงโทษก่อนตายฉะนั้นการลงโทษของอัลลอฮฺสำหรับคนที่ไม่เอ า, าศาสนาไม่เอาอัลลอฮฺไม่เอาสุนนะคนที่ขวางนาบีทั้งหมดนี่นะอัลลอฮฺลงโทษหมดฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้รับการลงโทษอาณาญานี้ต้องนึก อาตาอัมรุลลอการลงโทษของอัลลอฮ์น่ะมาแล้วแต่มันยังไม่ถึงต่อมาครับ فلا ت س ت ع ج ล و ต ل ا ت س ت จิ ل าาูแปลว่าจงอยา่าเร่งมันจงอย่าทำให้มันเกิดไวไวไม่ต้องไปเร่งมันหรอกอธิบายอย่างนี้ ความชั่วที่คุณทำนี่นะอาสาบมาแน่ๆอย่างคนกินดาเบีย้ยทำไมเต้บ้าตัวอาสาบมาคนทำซีนาอาสาบมาแน่ๆคนที่ทรยศ์ต่อพ่อแม่อาสาบมาแน่ตะกนนบีก็พูดนะโทษทุกโทษเนี่ยอัลลอจะให้มาหลังตายแต่มันมีอยู่โทษหนึ่งที่อัลลอให้เกิดก่อนตายก็คือโทษของลูกที่ทรยศ์ต่อพ่อแม่ตัวเอง อัลลอ์ให้เห็นบนบนบนดุญยานี้เลยเพราะฉะนั้นอัลลอ์สั่งฟาดาตสตาจีลูจงอย่าเร่งมันให้เกิดขึ้นไวๆอย่าทำบาปเยอะๆยิ่งทำบาปเท่าไหร่นี่นะไอ้ความชั่วมันก็มาไวขึ้นเท่านั้นแหลนนะคุณน่ะไม่เอาอนะัลลอ์นั่นก็ผิดแล้วนะอัลลอ์สร้างมาใช่ไหสร้างมนุษย์มาเนี่ยเอาสร้างมนุษย์มา วิธีสร้างของอัลลอฮ์มีอยู่สแบบนะหนึ่งสร้างนาบีอาดั ม, มาจากอะไรมาจากดินสร้างโตฮาวาภรรยาของนบีอาดั ม, มาจากซี่โครงสร้างนาบีฮอีซาผ่านแม่ไม่มีพ่อนี่เป็นความสามารถของใครของอัลลอ์สุบฮานุวาลาอันที่สีสร้างพวกเราวันนี้เนี่ยมาจากน้ำอาสูกิชัด เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์นี่ไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์สร้างเขามานี่นะเขามีความผิดแล้วนะแต่ว่าความผิดอันนี้ยังมาไม่ถึงตัวเองเท่านั้นเองอัลลอฮ์ได้สั่งว่า <c oughs> ฟาลาตสจาจีรูอย่าทําบาปอื่นเข้ามา <c oughs> เข้ามาเพิ่มอีกที่ไม่เอาอัลลอฮ์ที่ไม่ยอมรับอัลลอฮ์นั่นก็มีความผิดแล้วชีริก ต, ต่ออัลลอฮ์ก็ผิดแล้วแล้วมาทําผิดอย่างอื่นนี่แหละ ข้อที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หที่เจ็อัลลอฮ์อาซามันก็มาไวขึ้นเพราะฉะนั้นให้ตาบ้าตัวซะพูดง่ายๆนะให้ตาบ้าตัวซะให้เรียนซะให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมซะว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างโลกมาอย่างไงให้ศึกษาฉะนั้นให้ให้กลับตัวเป็นคนดีให้ยึดอัลลอฮ์องเดียวเรียกว่าให้เรียนเรื่องเ ต, ต่าฮีตจงยอมรับในอัลลอฮ์องเดียว เพราะว่าไม่มีบาปอื่นนะที่จะร้ายแรงก่อชีริกนะั้นไม่มีแล้วชิริกนี่เป็นบาปใหญ่ที่สุดนะสุบฮานาหูวตาลาแปลว่าอะไรครับมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่แด่พระองค์สุบฮานาหูเนี่ยแปลว่ามหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ตาลาตาลาแปลว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงทรง อา ม, มายุสริกูเนือจากที่พวกเขาตั้งภาคีเทียมพระองค์อัลลอฮ์อยู่เหนือที่สุดที่พวกเขาตั้งภาคีตั้งภาคีตั้งรูปเจเวตตั้งโต๊ะโนนโต๊ะนี้โต๊ะระยองโตตะเกียเทียบเท่าอัลลอฮ์เนี่ยนะอัลลอฮ์อยู่เหนือกว่านั้นอัลลอฮ์เป็นเจ้าของของรู้สิ่งทุอย่างฉะนั้นอย่าทำชัริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตอัลลออย่าทำบาปอย่างอื่นเร่งเข้ามาอีก ไอแค่ไม่ข ก, กากอัลลอล์เนี่อัลลอฮ์ลลก็มันใส่พออยู่แล้วใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในคัมภีร์คุรานอญญายะอื่นอธิบายอย่างนี้ในตัฟซิดอธิบายบอกว่าไว้ดุลมินลัลลอฮ์อาดิชิรกิกีอัลละ์นี่คูคูคู่เอาเรื่องจริงๆกับคนที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์นี่คนที่ผูกกัได้นะผูก ผ้าเขียวผ้าแดงที่มือผูกผ้าเขียวผ้าแดงที่ไรนะที่จัวเจิมรถทั้งหมดตัวนี้ระวังให้ดีนะระวังให้ดีแล้วก็ลูกจะถูตทหารก็ต้องไปหาหมออะไรนะหมอลูกกอกอทั้งหมดลัวนี้เป็นฉีริกทั้งหมดเพรา ะ, ะนั้นอย่าให้มีชีริกนี่ติดตัวนะครับอย่ามีชีริกติดตัว อัครบารุมอันนาซาอาตารบุลบอกว่าถ้าหากอัลลอฮฺไม่ลงโทษบนบุญยานี้วันกิยามะนั้นใกล้มาถึงแล้วกิยามะเนี่เริ่มเมื่อไหร่กิยามะเนี่เริ่มใครตายก่อนก็ถึงวันกิยามะก่อนคันเราตายก่อนดีวนี้พอตายภาพก็เจอกุโบกันใ น, น, นกัรนั่งกิยามะแล้วใช่ไหมวัยแอนวัอนนาอาซาบารุมการลงโทษของพวกเขานั้น มันมาตอนไหนตอนตอนอา ญ, ญา์มาอาญาบของเขานั้นจะมาตอนวิญญาณออกจากร่างมีฮะดิษอยู่บทหนึ่งอ่ะเป็นคำเตือนนะของบรรดาสหาบะกก็พูดอย่างงี้ก็บอกว่าอิจามาตุอินตาบาหูคนนี่นะถ้าไม่ตายเนี่ยมันยังไม่ตื่นหรอกพอตายเมื่อไรจะจะตื่นทังทีโอ้โหสะดายเหลือเกินชีวิต อัลกุรอานสุร่าอะไรนะที่ผ่านมาอัลฮิจรอรูบะมายาวัดดุลลัีนักฟารุลูกะนูมุสลิมีนบ่อยครั้งเหลือเกินที่คนตายที่ไม่เอาศาสนาที่ไม่เอาสุนัานาบีที่ปฏิเสธอัลลอ์ที่ปฏิเสธรอซูลนอนตายอยู่ในกูโบนั้นเขาบ่นวันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งบ่นว่าไงโอ ถ้าฉันได้เป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีเสียนี้กันไรไปบ่นอยู่ในกูโบใครเล่าให้ฟังนี่ยเอาเราเล่าเองไปบ่นอยู่ในกูโบพระสด็จได้แล้วถ้ารู้อย่างนี้เออเป็นแขกเป็นมุสลิมอย่าอย่าอย่าว่าเป็นแขกสิเป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีมากเหลือเกินเพราะรู้แล้วว่าคนมีาศาสนาแล้วตายท่านตายอร่อยน่าดูเลยแต่คนไม่มีาศาสนาเนี่ตายจะลำบากนะครับ ฉะนั้นเลยสั่งโรให้มีาศาสนาเอาไว้นะครับและาศาสนาก็มีเยอะแต่ต้องเลือกอีกาศาสนาอะไรที่ที่อัลลอฮ์พอใจก็คือาศาสนาอิสลามนะครับเอาต่อมาครับ <c oughs> ในอัลกุรอานายะอื่นอธิบายอย่างนี้นะครับอิกตอรบติสซาเครื่องหมายวันเกียรมาห น, นี่ใกล้เข้ามาแล้ว วันชักกลกรมัดดวงจัน์นี่กก็ผ่ามาแล้วเครื่องหมายวันเตียมะว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเนี่ยคือดวงจันนี่ถูกผ่าเป็นสองในสมัยใครในสมัยนบีมุฮัมมัดนบีผ่าเดือนให้ให้คนกาเฟตเห็นเดือนแยกออกไปอย่างนี้แล้วก็อยู่สักพักนึงก็เดือนก็เข้ากลับมาเหมือนเดิมนั่นเป็นเครื่องหมายว่าวันเตียมะมาแน่ ขนาดเดือนยังพาได้อะละวันกียร์มาเนี่ยจะไม่เกิดหรือในคัมพีร์คุรานเตือนคนที่อ่านคุรานบอกว่าอิสตตารอบาติสซาวันกียร์มาใกล้เข้ามาแล้วนะวันชกกักกลกมาดวงจันทร์ถูกแบ่งเป็นสองเป็นสองซีกมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยขึ้นไปสํารวจบนดวงจันทร์เนี่ยไปเดินเดินก็มันเห็นรอยอะไอรอยดวงจันทร์ที่มันแยกออกแล้วประกบเข้ามาใหม่เนี่ย เขาเห็นอ๋อนี่มันมีรออยู่ทุกคนยอมยอมรับกันหมดละเพราะดวงจันทร์นั้นเคยถูกพ่ามาแล้วทีหนึ่งนะครับในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลอะลัยวะสัลลัมคุณอนัญญาอื่นอธิบายอีกอิคตาราบาลินนาเซฮิซาบูฮุมฮิซาบูุมบัญชีของพวกเขานั้นกล้าจะถูกคิดกล้าจะถูกคิดบัญชีแล้วเพราะทุกคนมีมีมีบัญชีตัวกันทุกคนนะเนี่ย และบัญชีของเราเนะี่ยมีอยู่ถูกเก็บไว้กี่แรงคี่ต้องทราบไหมกี่แรงสีแง่แรงถูกเก็บไว้สีแ่แ่งบัญชีของทุกคนตั้งแต่ระดับบิ๊กที่สุดของโลกอะ่ะจนกระทั่งคนกวาดถนนเนี่ยมีบัญชีเหมือนกันเหมือนคนละสี่สี่ส่สแหลงแหลงไหนบ้างแหรงที่หนึ่งอยู่ในมือกับเท้าแหล่งที่สองอยู่ที่ไหน อยู่ที่สมุดบัญชีของมาลาอิกาแหล่งที่สามอยู่ที่มาลาอิกาแหลงที่สีเนี่ยแผ่นดินเนี่ยเอา้าคูร์อญญานอ้ายาหนึ่งที่พูดยังไงนะเยาวมาอีรินตูวฮัดดิสุอัคบะรฮ์วันนี้แผ่นดินจะเล่าเรื่องของมนุษย์เห็นไหมพูดชัดเลยแผ่นดินตรงไหนเราก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหยเล่าเรื่องของเราฉะนั้น บัญชีสมุดบัญชีเก็บเรื่องของเรานั้นมีอยู่สี่แหล่งด้วยกันต้องกลัวครับพออ่านแล้วกลัวนะถ้าไม่อ่านไม่กลัวใช่ไหมการคัมภีร์กลัอ่านจนะพูดเรื่องของเราหมดเลยมันจะพูดเรื่องของคุณเลยพูดเรื่องเรานี่หลยอันฉะนั้นอัลลอฮ์เล่าบอกว่าการคิดบัญชีของพวกคุณนั้นใกล้ามาแล้วนะวาฮุมฟีกอฟลาติมมูอาริดูแลพวกเขานั้นกําลัง กำลังไดนะกำลังเฉยเมย อ, อยู่นี่บางคนยังยังยังยังยังไม่ตื่นมีใช่ไหม <c oughs> กำลังนอนอยู่แนย่ยังไม่ตื่นเลยไอ้คนป่วยก็ น, นอนต่อไปใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเราต้องฝึกตัวเรานาะเพราะว่าอยู่หอพักชีวิตอยู่หอพักดีที่สุดผมอยู่หอพักมาตลอดถูกปลกมาตลอดเราตื่นเองไม่เคยไหวใช่ไหม มันก็ต้องมีครูมาปลูกโอ้ขอบคุณเลาที่มีคนมาปลูกเรานมาหรือห้ามดืริดะเอาพี่น้องทสรุปง่ายๆก็คือว่าอาดาบมาแน่อย่ารีบเร่งให้มันเกิดขึ้นด้วยการทำบาญอย่าอย่าเร่งอย่าเร่งนะครับอย่าเร่งต่อมาครับอยายะที่สอง <c oughs> ยุนซ <universe> ิล <oa> ุลมาลาอิคัตบรูฮ์มินอัมริฮิอัลามัยยาชูมินไอบาดิตรงนี้อธิบายดีนะยุนซิลุลมาลาอิคัพระองค์ทรงส่งนัซดาละยุนซิลุแปลว่าให้ลงมาไม่ใช่ลงมาเองนะ มาลาอิกาไม่มีสิทธิ์ลงเองใครให้ลงมาอัลลอฮฺอยูนซิลมาเดอิกาตะบิรุฮิมินอัมริฮิอัลามัยยชาอุมินไนบดิพระองค์งง ا, ทงรงทรงมาลาอิกาทั้งหลายมาลาอิกาคำนี้เป็นคำประหุพจนะไม่ใช่เอกพ์มาลาอิกาเนี่ยเป็นคำประหุพ์มาล ا, าอิกาทั้งหลายบิรุฮิพร้อมด้วย อัลรัวอิบนาอบาสแปลว่าอุไหแปลว่าอัลรวหมายถึงอัลวาฮยูหมายถึงความรู้สื่อที่มาจากอัลลอฮฺมาลายกาเ น, นี่ยนำเอามาคือเป็นงี้ยิบรีเนี่ยเป็นคนนำเอากุรอานเนี่ยลงมาแล้วก็มีมาลายกาเนี่ยคุมกันอีกเป็นหมื่นเป็นแสน ล, ลงมาเนี่ยเห็นไหมจากชันฟาเนี่ยมาให้กับนบีมุฮัมมัดลอัลม ยิบรียนําเอามาเป็นผู้ถือกรุรอานมานะครับแล้วก็เอามามอบให้กับนบีแล้วมีมาลายกาคุมการอยู่กันนึกภาพพี่น้องอลัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นี่เรามองไม่เห็นแต่อลัลลอฮ์เล่าให้เราฟังว่ากรุรอานลงมาแต่ละอายะห์ไม่ใช่ธรรมดาครับข้างบนนี่ปั่นกันหมดนะล า, ายกาเนี่ปั่นหมดเลยนะครับคุมกรุรอานลงมาอาลัลลอฮ์มาลายกามามอบให้กับท่านนาบีที่ไหนที่หัวใจ ดิพนบีพอรับปับนบีรีบอ่านเลยอัลล์สั่งแล้วถูกรีบบิฮิลิซากรอ่าจัลบีย่ารบย่ารีบใจเย็นเย็นฟังมาลกอ่านให้เข้าใจอย่าเพิ่งรีบอ่านพะนบีกลัวว่าเดี๋ยวมันจะลืมอัลล์สั่งแล้วกรีบบิฮิลิซากอาจัลบีอ่าย่ารีบอ่านอย่ารีบท่อง หน้าที่ของฉันจัดรักษาคุรานเอาไว้ไม่ให้มันหายไปจากโลกดุญญนยาใบนี้เอาวันนี้มีฮาฟิสเท่าไหร่ในโลกนี้ฮาฟิสเต็มเลยใช่ไหมนี่ไงอลัลลอฮ์รักษาคุรานโดยการให้หยุดในหัวใจหัวใจหัวใจพญานาบีคุณนฮาฟิสจีนะฮ า, ฮาฟิซยอนนะพญานาบีนะ่ะท่องจาอํ า, ากุรานพญานาบีเรายัางยนมาไม่ออกเลย <c oughs> <c oughs> ก็ค่อยๆแก้กันไป ให้รรู้อย่างนี้นะโอ้พระยาน บ, บีก็ท่องจํากูอ่าแล้วพระย่าเราแหะก็ะต้องเอออย่างน้อยก็ให้อ่านสุรนนุ่นสุรนี้ให้จํำมาไว้นะก้อยก้อยอ่านไว้อ่าทมดูรีแลกี้น้องพระองค์ทรงส่งมาลายกทาทั้งหลายพร้อมด้วยวา่าให้ ร, รู้นี่นะมินอัมริีด้วยพระบัญชาของพระองค์ไม่ใช่ลงมาเองนะอัลลอฮฺสั่ง ไม่ใช่อเมริกาส่งต้องนึกใหม่มาจาก AH าววอัลลอฮฺ س ب ح ا ن าและ ت ع ا ل อาลาไมยช่แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงคมินไนบาดีจากเบาของพระองค์อัลลอฮฺคนในยุคนี้วันนี้มีประมาณเจ็ดล้านคนใช่ไหมน่ะแล้วอัลลอฮเรียกนบีมูฮัมมัดมาคนหนึ่งเนี่ยที่ว่าอลา ไมยะชะมิ่งอิบาดีเลือกเบามาคนหนึ่งให้เป็นผู้รับองค์การของอัลลอ์และเอามาสอนสอนสอนสอนสอนสอ น, สอนผ่านคนคนเดียวนี่แหละเป็นสูตรของอัลลอ์แหละเวลาอัลลอ์จะคุยกับมนุษย์เวลาอัลลอ์จะสั่งกับมนุษย์อัลลอ์ไม่พูดแบบไมโครโฟนให้ดังทั่วโลกไม่ใช่เอาวะฮีนั้นเอาความรู้นั้นประทานให้กับมุฮัมมัด ผ่านยิบรีนและม ล, ลายกาอีกกุมหนึ่งเนี่ยลงมาพร้อมๆกันและเอามามอบความรู้ให้กับนบีมุฮัมมัดและให้นบีมาสอนโอ้พี่น้องนี่เนี่ยเป็นคำนะเป็นวิธีการมอบความรู้ให้กับมนุษย์ผ่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลอฮ์มยัชาอุมินไอบาดินี้บางคนอธิบายอย่างนี้นะอธิบายว่า อัลรูห์เนียบิรูร้ห์เนียอธิบายว่าอัลฮิดายะแปลว่าทางนําบางคนอธิบายว่าอัลกุรานเอาละจะเป็นอะไรก็ตามเป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นผู้จัดให้ความรู้เนี่ยเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่านยิบรีนให้ยิบรีนนําอมาล้ ม, มาลายกาอีกกลุ่มหนึ่งคอยคุ้มกันไม่ให้อิทธิพลของไซตตอนเข้ามายุ่งนะครับ อาลามัยยาชะแก่ผู้ที่อัลลอ์ทรงประสงค์เบาวของพระองค์ก็คือนบีมุฮัมมัดสลลันอัสลับอัลลอ์ทรงความรู้ฮิดายะทางนำอวะฮีมาให้กับนบีเอามาทำอะไรอันอังซิรูจงตักเตือนให้นบีนั่นเอาความรู้นั่นเอาไปเตือนมนุษย์ ทานคนที่ทํางานดาวาน่ะประเสริฐที่สุดแล้ววันนี้นบีมหามหัศเสียชีวิตไปแล้วแต่ความรู้ของนบียังไม่หมดยังอยู่ใช่ไหมอ่ากคัมภีร์คุรุอ่ า, อานทั้งเล่มเนี่ยเป็นความรู้ผ่านนาบีมาหมดเลยแล้วเราก็เอาความรู้ที่นบีได้รับเนี่ยล้วเอาไปสอนต่อผลบุญเยอะไหมโ อ, โอัลลอฮฺเยอะมากเลยทําหน้าที่เหมือนใครเหมือนนบีมหามหัศอัลลอฮฺอัลลอฮฺใส่แล้วท่านคนที่ทำงานทํางานศาสนาเ น, นี่ยดีหมดเลย ไมีสีกลุ่มหนึ่งอัลอัมบิยาบรรดานาบีทั้งหมดเนี่ยนะที่อัลลอฮ์ส่งมานี่ยทำงนานศาสนาหมดเลยนะสองอัสซสิ ด, ดีกินคนที่มีหัวใจที่จริงใจต่อศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่นบีเป็นคนพวกเราธรรมดานี่แหละแล้วก็พลชูฮาดาคนที่ปกป้องศาสนาทั้งเงินทั้งร่างกายแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ในสนามรบ ปกป้องศาสนาของอัลลอใน์นาพี่น้องนี่พวกชูฮาดาแล้วก็ซอรีฮีนคนซ อ, นนอและคนที่รักษาอามันอิบดัดสม่าเสมอซีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อัลลอฮ์ทรงพอใจที่สุดเลยท่า น, นทำงานศาสนาอาชีพก็ว่ากันไปขายของขายกระปิขายบูดูขายไข่ก็เชิญทำไปอย่างนั้นะไปเอาสินค้ามาจากขมนะมาขายเมืองเทือกทําไปแต่ว่า งานหลักก็คือต้องเดาวะ่าใจต้องนึกตลอดเวลาฉันนั่งกับใครก็ตาวันนี้ฉานต้องคูยเรื่องอิสลามคูยเรื่องอัลลอ์ให้คนที่นั่งกับเราเนี่ยฟังนั่งอยู่กับภรรยาเราก็คูยเรื่องอัลลอ์ให้เมียฟังนั่งอยู่กับลูกก็เรื่องอัลลอ์ให้ลูกฟังนั่งอยู่กับเพื่อนก็คุยเรื่องอัลลอ์ให้ลูกฟังทำได้เลละไปเนองเนี่ยต้องตั้งใจนะเผยแพร่อิสลามตลอดเวลาเอาต่อมาครับ อันอันธะรูจงอะไรนะจงตักเตือนอ่าเรื่องอะไรอันนัฮหูล่าอิละอิลาอาาไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอ์ให้สอนเรื่องนี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมเวลาจะด่าวะ เวลาจะตักเตือนค น, นสอนเรื่องอะไรก่อนอัลลอฮ์สั่งมุฮัมมัดเลยให้พูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องอะไรนะเรื่องเลออิเลอิลออเรื่องเตาฮีตก่อนชีริกต้องไม่มีแล้วนบีทำสาเร็จไหมพี่น้องวันที่นบียึดนครมักกาวันนะั้นน่ะรูปเจเวตอยู่ในากาบาเท่าไรสารยหสบพอยึดปับ๊บท่านนาบีบอกอบูบัก สิ่งแรกนะเอารูปเจเวตออกจากกะบาก่อนอยู่ในใจนะบีมาตั้งกี่ปีไม่พูดพูดเรื่องอะไรอัลลอฮ์สร้างฟ้าอัลลอฮ์สร้างแผ่นดินอัลลอฮ์สร้างโนนสร้างนี้ไม่เคยแตะรูปเจเวตในกะบ้านนะพอมีอำนาจเต็มที่รอยเปอร์เซนต์อบับดุบาจาเพิ่นรักเอาออกเลย <c oughs> สำเร็จไหมสำเร็จอัลฮัมดุลิลลวันนี้เราก็เอารูปเจเวตออกจาก ออกจากบ้านเราก่อนออกจากภรรยาเราก่อนออกจากลูกเราก่อนเอาบ้านเราให้มันสะอาดแล้วก็เคลียร์ก็ค่อยขยับขยับขยับถ้าช่วยกันขยับแบบนี้นะอัลลอฮฺโลกใบนี้มีแต่อัลลอฮฺเลออิเลฮฺอัลลอฮองเดียวแล้วก็มีอัครา ข, ของท่านนาบีมาจำกับอีกทีหนึง่งมีอิสลามต่ออัลสุนาห์นบีมาจำกับชีวิตด้วยถึงจะสนานะนะครับ ละอิละห์อิลไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก Allah. อัลลอฮ์อิละอาาอ่านอกจากฉันละอิละห์อิละอาณาฟัตตะคุนดังนั้นจงระวังตัวเองให้ดีจงสำรวมตนต่อฉันด้วยการปกป้องตนเองให้ห่างไกลจากความชั่วนี่คำอธิบาย ระวังตัวเองอ่ะอย่าทําบาปอย่าทาชั่วในกุอานายาสุดท้ายว่าไงนะฝาบุรบบาตรรบกกระดัจยติยกระดิจินให้พักดีต่อรอจุ่มกว่าความตายจะมาถึงให้มาให้มีศาสนาจนกว่าจะตายให้สอนคนจนกว่าจะตายให้นามาจนกว่าจะตายให้ทําความดีจนกว่าจะตายตัวลงมาเรื่องตาฮิตตัวเรื่องใหญ่ที่สุดในกุอานายาอื่นอนธะิบายอย่างนี้ เมื่อก่อนหน้านี้นะนะมุฮัมมัดเองเนี่ยมากุตต้นตาตาเดรีมัลกิตาบวา ล, ลีอีมานก่อนที่อลัลลอฮ์จะประทานกุณอ่านให้ยิบรีนนำเอามาพร้อมด้วยมัลาอิ ก, ก้าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะประคองลงมาเนี่ยมุฮัมมัดเนี่ยไม่รู้เราก็เข้ว่าอีมานน่นคืออะไรใช่ไหมเราทหารเรียนรู้ไหมอีมานคืออะไรแล้วก็วาลลวาลลกิตาบมัลกิตาบ เรื่องคำภีก็ไม่รู้ก่อนหน้าที่อัลลอฮจะประทานลงมาเนี่ยนะไม่มีใครรู้นบีก็ไม่รู้ว่าคำภีคืออะไรแล้วก็อีมานคืออะไรไม่มีรู้เราเองก็เหมือนกันคำว่าอีมานอธิบายอย่างนี้เชื่อต้องไม่เห็นด้วยนะจะเรียกว่าอีมานถ้าเชื่อเห็น อ, อย่างเนี้ยเรานั่งกันอยู่เนี่ย อ, อ๋อคนนี้ใส่เสื้อดําอยู่สี่คนใส่เสื้อขาวอยู่สิบห้าคนใช่นไหมใส่หมวกขาวนี่มันเห็นอย่างนี้มเรียกว่าอีมานอีมานต้องเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาแล้วก็ความรู้ที่ว่าสีแดงหรือสีขาวต้องมุมหมัดเล่านะคนอื่นเล่าก็ไม่ได้ด้วยต้องมุมหมัดมาอธิบายแล้วเราก็เชื่อสิ่งที่มุฮัมัดพูดจึงเรียกว่าอีมานนี่อีมานอธิบายอย่างนี้ ก่อนหน้านี้เราอาจจะเชื่อว่า إ ي م านต้องเชื่อเชื่อเชื่อว่าฝนตกฝนตกนี่เห็นน่ะมาจากฟ้าฟ้าอย่างนี้นมาจาอี إيمان เชื่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์มีแต่มองไม่เห็นด้วยสายตาสัมผัสด้วยมือไม่ได้เชื่อว่ามาลเลกามีเธอไม่เคยเห็นมลเลกาสักทีหนึ่งนี่อย่าเรียกว่า إ ي م านเชื่อวันเตียมามีทั้งๆที่ยังสัมพิสูจน์ไม่ได้แต่เชื่อไหมเชื่อแบบนี้เรียกว่า إ ي م านเชื่อมีนรกมีสวรรค์ มีตาช่งแล้วก็มีอะไรนะอะไรเนะี่ยผลงานของเราอะ่ะอยู่ในถูกเก็บอยู่ในมืออยู่ในเท้าอยู่ในาอยู่ในแผ่นดินมองไม่เห็นด้วยสายตาถ้าเราเชื่อว่ามีนั่นเรียกว่าอีมานโอ้โหท่านอีมานจึงมีราคาแพงมากเลยแค่ท่านคนมุสลิมถ้าไม่มีอีมานอย่างเดียวนะจบอีมานไม่มีเพราะอีมานไม่มีจบทำอะไรก็ไมไม่ไม่ไม่ไมไมไมอร่อยจะนมาก็ไม่ไม่ ไม่ไม่คู่ช่วยันคนที่นมาคู่ช่วยคือคนที่มี إ ي م านเยอะๆโอ้โหยกมือตักบี้อัลลอฮ์กบัดมันชื่นใจอัลลอฮ์บางบัดบางคนนมาเป็นชัช่ชวโมงชั่วโมงเท้าบวมยังไม่ยอมเลิอกอ่ะเพราะอะไรเพราะมัน إ ي م านเขาดีอี่มานมันมีรสชาติอร่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอัลลอฮ์เนี่ยได้เลือกได้เลือกมละลาอิกะแล้วก็เลือกคนคนตั้งเยอะ เลือกคนคนหนึ่งมาเป็นรอซูลเลือกใครนบีมุฮัมมัดและบรรดามาลายิกาทั้งหมดนับจานวนไม่ถ้วนนะ่ะเลือกใครมาเป็นมาลายิกาที่ดีที่สุดเลือกใครยิบรีลอะเลฮิสซล า, า, ลาให้เป็นผู้อะไรนะวาฮีระหว่างอัลลอฮ์กับนบีรอซูลเลือกยิบรีลคนเดียวดะนั้นอัลลอฮ์ในกลุ่มมาลายิกาทั้งหมดเลือกนบีเลือกยิบรีล ในกลุ่ ม, มนุษย์ทั้งหมดเลือกนบีมูฮัมมัดเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดในคนทั้งหลายนกะครพ่การอธิบายอย่างนี้อัลลอฮฺยัสปาฟีมินอลมาล้อีกคือรูซูลันไวมินานนสเลือกมาลาอิกาด้วยแล้วก็เลือกคนด้วยเอาคนเดียวอัลลอฮฺอัลลยิ่งใหญ่แล้วเกิดอัลฮัมดุลิลละนะครับคำว่าอินซาอันซีรูนแปลว่าเตือนให้กลัวนะเตือนแล้วต้องกลัว เช่นมีนรกมีสวรรค์มีการลงโทษโอ้พูดอย่างนี้ทุกคนกลัวหมดอินชาอัลลอ์นะเอาต่อมาครับยุนัซลุลมาลอยกะเตบิรูฮิมินอัมริฮิอัลามะยิชาอุมินไอบาดิ อันอันทรูอันนั่นลาอีลาอิลาอันอันฟัดทุกคนต้องไปพบอัลลอฮ์นะหมดเลยเนี่ยตายแล้วฟื้นขึ้นมาจึงเห็นอัลลอฮ์ต้องเข้าสวรรค์ด้วยถึงจะเห็นอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาถ้าไม่เข้าสวรรค์ไม่มีสิทธิ์ครับ ข้ออ า, อายะที่าะะสมาม خلق السماوات والأرض بالحق ت า ا ل ى أما ي ش ริก و ن หลังจากอัลลอห์เล่าว่าฉันเนี่ยได้ส่งมลายิกามานำความรู้มานำวะฮีมานำนำทางนำมาให้กับมนุษย์ผ่านนบีมุฮัมมัดเนี่ย อ l l a h ก็เล่าว่าคอยากก็จะมาวาชั้นฟ้าทั้งหลายวัลอาต์เ อ, อิร์ธภาษาอังกฤษเหมือนกันใช้คาเดียวกันเ อ, อิร์ธแปลว่าแผ่นดินขอยากล็ a l สร้างบิลฮักติด้วยความจริงพอคุยเรื่องวหฮิจอบ a า l a h เล่าว่าแผ่นดินและชั้นฟ้านี่ฉันก็สร้างสะถาว่าสร้างมาทำไม คำตอบก็คือบิลฮักต์ไม่ไมใช่สร้างมาเล่นๆนะมันมีเป้าหมายนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ได้สร้างมาเล่นๆมีเป้าหมายที่ชัดเจนแบบอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่าคิดว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาแบบเล่นๆไม่ใช่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็ต้องนึกตลอดเวลาว่าเรานี่ถูกสร้างมาจากอัลลอฮ์นะ มันจะเกิดขึ้นมาเองนะนะครับอัลลอ์สร้างแผ่นดินสร้างชั้นฟ้าบิลฮัตต์ด้วยความจริงเพื่อวิทยาปัญญาของมนุษย์เพื่อมนุษย์จะได้คิดไม่ใช่โดยไรหรือว่าไม่มีจุดหมายที่แน่นอนมีเป้าหมายที่แน่นอนเลยนะครับ เอาต่อมาตาลามายุชริกูนพระองค์ทรงสูงทรงเหนือจากที่พวกเขาตั้งภาคีต่อพระองค์ฉะนั้นคนที่ตั้งพาคีกับอลัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์ไม่พอใจเลยแล้วเพราะ อ, อลัลลอฮ์สร้างโลกมาสร้างชั้นฟ้ามาเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจน <c oughs> ฉะนั้นมันเราต้องเรียนนะครับต้องศึกษานะครับในสิ่งเหล่านี้เ <c oughs> พออลัลลอฮ์คุย เล่าว่าชั้นสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินแล้ก็เล่าต่อไปอีกคอลากอลอินสันพระองค์ทรงสร้างมนุษย์เห็นไหมอย่าคิดว่าแผ่นดินน่ะเกิดขึ้นมาเองนะไม่ใช่นะเพราะบางคนเชื่อว่าอะไรนะโลกใบนี้เกิดขึ้นมาเองมีไหมมีเยอะมากเลยแต่ทำท่าจะสอนให้ลูกหลานเราเชื่อแบบนั้นด้วย ชาห์ดาวินบอกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาจากอะไรนะวิวัฒนาการมาจากลิงนั่งสอนให้มาวิไลผมเองก็เรียนเหมือนกันแต่ต้องเขียนเขียนคำคตอบแบบนั้นละชาห์ดาวินมนุษย์เป็นปักน์กรรมาันจะลิงไม่อยากจะเขียนเลยไม่เขียนก็ตกเราต้องเขียนอะลอัวัดใจเนี่ยมันมันแอนตี้อ่ะต้เขียนเขียนเขียนไป แต่ผมกระใสคุรอานกำกับคอร์ลโกลินเซนพระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากเชื้ออสซูจิมินุตฝะอธิบายในตอนต้นแล้วว่าอัลลอฮ์สร้างคนมานาสี่แบบด้วยกันหนึ่งสร้างอาดัมมาจากดินสร้างโตฮาวามาจากซิโครมสร้างนาบีอีสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อแล้วก็สร้างมนุษย์พวกเราวันนี้มาจากน้ําอสุจิ แล้วอัลลอฮ์ก็เล่าเอกกระทั่งที่มนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากน้มาสุจิตแล้วเป็นไงฟาอีราหุมคอซีมุมมมบีแล้วเมื่อ น, นั้นแหละจงดูเถิดพวกเขาเป็นไงเป็นมนุษย์เป็นคนที่ชอบโต้เถียงชอบเถียงเถียงกับใครเถียงกับอลัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ไม่มี ก็ฉันสร้างมาจากหน้ามาสุจิหาว่าฉันไม่มีอีกแล้วลมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเถียงอะไรหอเถียงแบบคอโกงเลยอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีมม All. แล้วฟ้าชันฟ้าเ น, นี่เกิดมาเองจะเกิดมาเองได้ยังไงแล้วลดวงดาวดวงจันทร์เนี่มันโจรอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยไม่เคยชนกันเลยไอ้แค่สุขุมวิทย์นี่ชนกั น, นมาักือบรอยครั้นมีทั้งคนขับมีทั้งจราจรมีทั้ง เอาเราวิ่งไปวิ่งมารถไม่สวนกันมันยังชนกันได้เลยแล้วข้างบนนั่นไม่รู้ว่ากี่ล้านดวงอ่ะมันจะมาด้วยความบังเอิญอยังไงมนุษย์ชอบชอบเถียงอัลลอก์คนนั้นแหละอัลลอ์มันใจอัลลอก็มันใสก็อัลลอฮ์ก็ไม่ล ง, ลงโทษก็ปล่อยไปปล่อยไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะอัลลอ์มีเป้าหมายที่ชัดเจนฉันสร้างชันฟ้าเป็นดินมามีเป้าหมายที่ชัดเจน ฉันสร้างมนุษย์มาจากหน้ามาสุจิดูสิมันเถียงฉันคอเป็นเอ็นเลยเนี่ยดูเอ้าวเราเก็ต้งนึกเราเถียงอับลอร์เปล่าเราเองก็บางทีไม่เอาสุ น, นัานนบีถ้าก็เถียงใครเถียงนบีนบีไม่แน่เห็นไหมนบีทำตรงนี้ไม่ทำตามนบีเอาทำทำัว โ, โยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ้าวพี่นอ้องลอร์ดสั่งอย่างงี้ ไอคนที่เถียงอัลลอ์เนี่ยชอบไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ้์ทั้งๆที่สิ่งที่เขาบูชาเคารพเนี่ยนะลายม์ฟางหุมไม่ให้ประโยชน์วาลายดุรุหุมแล้วก็ไม่ให้โทษสิ่งที่เขาบูชาบูชาอยู่ทุกวันเนี่ยรูปเจาเวทต่างๆที่ไปขอขอขอกันเนี่ย ถามว่าเคยสแสดงอะไรให้เห็นบ้างไหมนบีอิบราฮิมุสาแสดงให้เห็นแล้วน่ะแล้วก็ถูกโยนใส่ไฟไปแล้วน่ะใช่ไหม่ะเพราะเทียงอัลลอฮ์นั่นแหละ น, ะนบีอิบราฮีมถูกโยนใส่ไฟทำงานใหญ่คือต้องการจะเผยแผ่อิสลามว่าอัลลอ์มีจริงถูกโยนใส่ไฟใช่ไหมแล้วก็อัลลอ์คุ้มครองไหมนี่ผมอ่านหนังสือพบยิบรีนบอกว่า อัลลอฮ์สามชันปั๊บทําปั๊บเลยน่ยมีอยู่สี่สสีที่อัลลอฮ์พบอัลลอฮ์สั่งพอขาดคํำฉันถึงเลยน่ะไอ้นอกนั้นก็ชาแน่อยชาหน่อยคนที่หนึ่งอัลลอฮ์สั่งนะตอนนบียูซุฟถูกโยนลงไปในบ่ออัลลอฮ์สั่งยิบรียนรีบพราจับยูซุฟโยนแในบ่อแล้วไงไปรับ เราก็เอาที่ตรงที่นอนอย่างดีไปรองรับที่คนที่ทคนนี่และนะที่ก้นบ่อเนี่ยนั่นคนแรกนพียูซุปรู้ป่าเนี่ยเขาไม่รู้หรอกวน่าะ้อน่ะนะสมบริการมาบริกาจีบรีลเล่าเองซุปไม่รู้หรอกฉันเอาของดีๆไปรองรับยูซุปที่ก้นบ่อนั่นคนแรก คนที่สองนบีอิบราฮิมอลัลลอฮ์สั่งยิบรีนอิบราฮิมถูกโยนใส่ไฟแล้วลงปุ๊บมาเลยแ ล, ล้วอัลลอ์ก็สั่งอีกว่าไฟเ อ, อ๋ยจงเย็นอลัลลอ์ช่วยนะให้ยิบรีนมาตอนรับแล้วยังสั่มไฟนะไฟที่เย็นวันนั้นผมเพิ่งรู้นะเย็นเฉพาะนาบีอิบราฮิมคนอื่นไม่เย็น ยานาลูกูนีบารดันวาซาลามันอาลาอิบรอฮิมคุณอ่านกำกับเลยไงเฉพาะนบีอิบรอฮีมคนเดียวเท่านั้นวันนั้นที่เย็นคนอื่นลองลองเข้าไปสิตายนั่นคนที่สองยิบรีนว่าพออัลลอฮ์สั่งฉันปั๊บถึงเลยสองคนเลยนะคนที่สามใครเป็นไหมอิสมลลาอีเนย์ยาดุสซาลาตอนที่นบีอิบรอฮิมเอาเม็ดมาจะหั่นคอเนี่ยใช่ไหม ยิบรื่องันแล้วถึงเลยอย่าต้นแล้วคนที่สนบีมุฮัมมัดวันที่นบีถูกถูกหินคว้างที่ฟันแล้วฟันฟันหักมุฮัมมัดรีบไปโยนี้อย่าให้เลือดถึงถึงพื้นนะอย่าให้เลือดนบีหยดถึงพื้นนะถ้าเลือดนบีหยดถึงพื้นเมื่อใดวันนั้น ต้นมาจะไม่งอกเลยพันดินทั้งหมดนี้นะรีบไปอยบีว่าฉันถึงเลยปั๊บถึงเลยมีอยู่4คน1ใครนะนบียูซุบ 2. นบีบรอฮีม 3. นบีอิสมาอินสนบีมุฮัมมัดสุลตานุบัสสลาม อ, อัลล a h อัลกุบันอลัลเลาะฮ์ إ ي م านแข็งน่าดูเลยใช่ไหมจากนั้นวันนี้ไม่มีอะไรบังเอิญครับพวกเราวันนี้ บางทีเรารถความกลางถนนรถมาไม่เบรกอจะเราปลอดภัยอัลลอฮไม่ใช่กูมีพระดีไม่ใช่อัลลอฮคุ้มครองทับดุลิดาขอบคุณอัลลอะนั่นยิบรียนอิสลามอ่านประวัติท่านเาล่าอย่างนั้นอานั้นโอ้ إ เพิ่มทับดุลิดาเอาไปนองครับทั้งหมดดีหมดเลยนะดีหมดนะ สิ่งที่ได้จากอายานี้คาร์โบไฮเดรตน้มันนูตแฟติมไฟเจอหุมคอสีมุมมุบีนแผ่นดินและชั้นฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นมาเองนี่ความรู้ที่ได้จากอายานี้เป็นมรรคลูกเป็นสิ่งถูกสร้างนี่ข้อที่หนึ่งนะข้อที่2 ส, สิ่งถูกสร้างทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนสร้างถ้าไม่อิมามเราเพิ่มขึ้นนะ ข้อที่อันที่3ครับสิ่งทุกสร้างที่อลัลลอฮ์ทรงสร้างมานะไม่ใช่สร้างมาไร้ประโยชน์นะโดยมีโดยไม่มีเป้าหมายไม่ใช่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าสร้างมาทําไมพิจารณาดูชานฟ้า إ ي م านเพิ่มพิจารณาแผ่นดิน إ ي م านก็เพิ่มมองดูดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่มันโคจร إ ي م านมันก็เพิ่มอ่ะถ้าเรามีฮีดายามีทางนําที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานาหูวตาจา ท่านอิมามกุตตูบีอธิบายอย่างนี้อัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมาเพื่อต้องการจะแสดงให้มนุษย์ได้เห็นว่านี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์สุบฮานหูวาตาลายกตัวอย่างง่ายๆอาซูจิน้ำอาซูจิไร้ค่าผสมกันอยู่ในมดลูกของผู้หญิงกลายเป็นเด็ก ใครทำได้อะใครต้องทำด้สิอัลลอฮหว่าก็ัทหมดความสามารถเลยมนุษย์วันนี้น่ะห่วงกลัวกันนะอย่าสุจีเข้าลงไปนะมีลูกแน่นะชักนึกถึงใครก็ไม่รู้นะถึงอัลลอฮฺหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหนั่นน่ะยิ่งใหญ่มากเลยอัลฮัมดุ ล, ลิลลาห์นะครับพี่น้องอ้าวอายาที่5ครับพี่น้อง والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. วันอ ن ع ا มพอเล่าเรื่องชั้นฟ้าแผ่นดินเล่าเรื่องมนุษย์เสร็จเล่าเรื่องสัตว์วันอานามอานามแปลว่าปศุสัตว์สัตว์ทั้งหมด 2เท้าสี่เท้าสี่ตีนสองตีนอะไรก็ตามแต่สัตว์ที่เลื้อยด้วยที่ไม่มีขาแต่ใช้เลื้อยอรอเอ า, อ เ, อาอเก่งหน้าดูเลยนะเลื้อยอย่างเราสองขาอันนั้นสัตว์ไม่ใช่ ม, มนุษย์นะคอแล้วก็หาลากุมพระองค์เนี่ยอรอยลากเลยนะพระองค์ทรงสร้างมันลากุมให้เป็นประโยชน์กับพวกท่านนี่ตรงนี้นักตักเสต์ธอธิบายว่าอย่าไปกราบสัตว เพราะอาลัลลอฮ์สร้างสัตว์ทั้งหมดนั้นให้เป็นประโยชน์มาบริการมนุษย์มาช่วยเหลือมนุษย์ฉะนั้นอย่าไปกาบแพ้อย่าไปกาบบัวอย่าไปกาบกระเบือคนในอินเดียเนี่ยกาบอะไรรู้บ่ายเจน้องกาบอะไรสูบอยู่อินเดียมากี่ปีหลายเดือนน่ะเขากาบบัวกันผมเคยตอนเป็นนักเรียนนั่นนะไปซื้อผักอยู่พอบัวมานี่เขาว่าอะไรแม่แม่แม แม่แอย่า ก, กินอย่าอย่ากินผักอย่า ก, กินผักมันก็ดันไม่ไ ม, ไม่ไม่ตีนะบาปดันไม่ให้ไม่ให้วัวมันกินหญ้าท่ร้านมันมันจะมากินที่ร้านเนี่ยผักสะอาดเยอะมันดันไว้ไม่ตอไม่ยอมตีไม่ยอมไล่บูชาวัวกันอาญานี้ต้องการจะตอบคําถามคนเยอะคนแรกคนพราหมณ์คนอินเดียในอินเดียนะ วัละนามาคอลรกฮละกุมสัตว์ทุกชนิดอัลลอฮ์สร้างมานะละกุมเป็นประโยชน์กับพวกท่านกับมนุษย์อ้าวอธิบายเลยอ่ะเมื่อสร้างสัตว์มาแล้วอัลลอฮ์ให้ประโยชน์ผ่านสัตว์มีอะไรบ้างฟีฮาดิฟุลในตัวสัตว์นั้นมีความอบอุ่น ดิฟอุ่นแปลว่าอบอุ่นอัลลอฮ์พูดคำว่าอบอุ่นอธิบายอุลมามะอธิบายอย่างนี้เอาหนังมันมาเป็นประโยชน์มาตัดเสื้อใช่ไหมเสื้อหนังแพงไหมแพงสองเอาขนมันมาทำผ้านุ่งหม่มใช่ไหมขนสัตว์แพงไหมแพงเอา้าอะไรอีกล่ะแล้วก็ เอาเนื้อมันอเออมันอันนี้ในพูดเรื่องอบอบอุ่นอย่างเดียวเห็นไหกินเนื้อสัตว์ก็อบอุ่นนะถ้าเนื้อสัตว์ไม่มีคนฮินดูโบให้กินให้กินนะให้กินถั่วแพร่งให้กินถั่วกินถั่วถั่วจะบรรชดเชยเนื้อได้เลยว่วามานาเฟียและประโยชน์อื่นๆอีกมากมายอัลลอฮฺอัลลอฮอ้าวเอ า, เอาหนังมันมาทำเสื้อเอาหนังมันมาทำกระเป๋าโอ้เอาหนังมันมาทาเครื่องนุ่งหม่ม แล้วเราก็เอาเนื้อมันมาเป็นอาหารมานาเฟียบแลว้วประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายเอาเขามันโอเห็นไหมเอาขนมันเอามาทํำได้หมดถึงแล้วว่าสัตว์ทงตัวนี่ประโยชน์หมดเลยแล้วคนละ่ะเอามาทำอะไรได้ไม่ได้เลยสักนิดนึ่งเอาลองให้เกียรติวัล ก, จกรจากการรมนาบินีอาดัมฉันให้เกียรติกับมนุษย์เนี่ยตายแล้วฝังจบมันตัวไปเอามาเลนิดนึงก็ไม่ได้ให้เกียรติมนุษย์ แต่สัตว์ทั้งตัวเลยเอาไปทำประโยชน์ได้หมดเลยฉะนั้นอย่าไปกราบสัตว์ให้กราบใครกราบอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาละ ว, วามินฮาตะกูลุนและในหมูสัตว์นั้นสู่เจ้ากินเนื้ออัลลอฮฺนี่เล่าให้ฟังเลยจบห้ัมโุยเลย่ละอิมันสัตว์ตัวเดียวอัลลอฮฺเล่าละเอียดเลยเห็นยั ง, ยงไงท่านคนที่อ่านกุมอ่านอย่าหมโดยเล่ละอิมานมันเพิ่ม ยืดีมามอา่านกุรานเดีวเราฟังอยู่ข้างหลังถ้ารู้ความหมายนะไม่จำน้ำหมดนะโอ้โลอันเพลิอมอย่างนี้เป็นต้นนะครับสัตว์ทุกชนิดเป็นมัคลูเป็นสิ่งถูกสร้างไม่ใช่เป็นพระเจ้าสัตว์ทุกชนิดอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อรับใช้มนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าเป็นคำตอบกับกลุ่มที่บูชาสัตว์อืม มานาเฟียเนี่ยสัตว์บางชนิดมีไว้ไถนานมานาเฟะยแบกสัตว์บางชนิดมีไว้เพื่อขี่เช่นมา้าสัตว์บางชนิดเอาหนังมันมาทํารองเท้ามาทํากระเป๋าแล้วก็แพงด้วยโดยที้เขาทาหนังอะไรนะหนังเทียมใช่ไหมทําเทียมทำไมลนะ่ะอาเทียมมาลอยอยู่ทุกวันนีพพกก้พวกฟูกะฮะพวกฟิกก้อนเนี่ยอธิบายอย่างนี้สัตว์ที่สามารถ เอาหนังมาทำประโยชน์ขนกระสั์เอามาทำประโยชน์ได้นะทั้งก่อนตายและก็หลังจากตายแล้วอ้าวอย่างแพะอย่างแกะใช่ไหมตัดขนมันก่อนตายได้ไหมได้ตัดตตั ด, ต ด, ต ด, ตดเอามาทำประโยชน์ได้เลยหลังตายก็เอามาทำประโยชน์นี่ฟูกะฮะอธิบายช่วยช่วยพวกเราให้ข้าใจาสนาเพิ่มขึ้น อ, อนุญาตให้ทำได้นะครับ อัอมากับอายะที่หวะลกุมฟีฮจามลุนฮีนัตูริฮูนฮีนัตสุรพูนวะลักุมฟีฮะจามลในตัวสัต์นั้นในตัวสัตมนี่นะฟีฮะจามลในนั้นมีความสง่างาม จามานแปว่า beautiful มีความสวยมีความสง่างามสังเกตเนะคนที่ขี่อะไรนะี่ยขี่มาก็าดีมุสง่างามนะแล้วเรามีมีแพะแกะเนี่ยไล่ออกตามทุ่งตอนเย็นเย็นตอนเช้าเช้านะไล่ออกตอนเย็นเย็นไล่ไล่กลับสวยนะมันเป็นภาพที่อยู่ชนบทก็จริงแต่ว่ามันสวยงามเนี่ยเอาเราเล่าเองว่าสวยทต่ที่ไอความสวยเนี่ย อลัลลอ์กนบีเตือนนะทุกความสวยนะต้องไม่มีคำว่าตะกำ บ, บุดเพราะคนส่วนใหญ่ถ้าสวยแล้วก็มักจะเป็นไงตะกั บ, บุดนะกูแยงกูแน่กูเก่งกูยังงั้นกูอย่างางี้แค่บ้านสวยใจยังตะกั บ, บุดเลยนะรถสวยตะกั บ, บุดแต่งตัวสลอากกตะกั บ, บุดถ้าไม่มีศาสนาจะแฝงด้วยตะกำ บ, บุดตลอดเวลาท่า น, นกพีคุณอ่า น, นี้เตือน วะลลภุมฟีฮาจามารในสัตว์เนี่ยนะครับมันมีความสวยสง่างามตอนไหนฮีนาตูรีฮุนยามสู่เจ้านำสัตว์กลับเข้าคอกไม่ใช่สำหรับสู่เจ้ายามสู่เจ้านำสัตว์กลับเข้าคอกตอนเย็นๆอ่า นำสัตว์กลับเข้าคอกตอนเย็นโอ้มาเป็นร้อยเป็นพันสวยไหมสวอัลลอฮ์มองสวยในกทมไม่มีจะเอาสัตว์ที่ไหนามาเดินที่กทมอนี่ละภาพอันนี้สวยนะนี่ใครชมอัลลอฮ์ชมเลยเอาต่อมาครับวะฮินัตสราฮยามสู่เจ้าต้อนสัตว์ออกจากคอกไปเลี้ยงก็สวยด้วยครับภาพสวยห้ามด้วยเลย ใครไล่าจะฟังอัลลอฮ์เป็นคือว่ามังกรจามีนเป็นภาพที่สวยมากเลยนบีก็เตือนไอ้สวยๆอย่างนี้ให้คิดถึงใครคิดถึงอ All uh ัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่เฮบุลจามานอัลลอฮ์สวยอัลลอฮ์รักความสวยงามจากนั้นอัลลอฮ์ต้องการจะเล่าว่าสัตว์ที่อัลลอฮ์ให้มากับมนุษย์เป็นประโยชน์สำหรับท่านตอนไล่กับก็ไล่เข้าพอกเนี่ยภาพมันสวยานา ต้องขอบคุณอลัลลอฮ์สุภาหูบาดนาะขอย้ำนะสวยสง่างามอนุญาตทําได้ไหมได้แต่ต้องไม่มีคําบบว่ววยยาตะกับบุตรโอหังอวดดีขับรถลอล่อสวยสวยอย่าตะการบุตรมีบ้านใหญ่ใอย่าตะการ บ, บุตรมีเมียสวยสวยต้องขอบคุณอลัลลอฮ์เยอะๆมีเมียผู้ใเพรเอๆล้อมชื่นใจน้อยบ้ลยเอาต่อมาอายาศุดท้าย ว่า تحمل أصقلكم إلى بلد اللهم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس إن ربكم لراوف الرحم آ ยาสุดท้ายยัมิล um ูแปลว่าแบกยัมิล um ูแปลว่าบรรทุกยัมิลูแปลว่าขนส่งส ah ah ัตว ah ์เน ah ี่ย ช่วยเราได้เยอะมากเลยนอกจากเอาเนื้อมันเอาหนังมันเอาขนมันเอาไขมันมันแล้วยังไม่พอยังช่วยเราแบกช่วยเราบรรทุกช่วยเราขนทรงอะไรอสกอรและกุ้มของหนักหนักอสกอรของหนักๆที่เอเราพาไปไม่ไหวอ้อาอยากเข้าสารสิบก็สอบพาไหวไหมโอโลัลโหไม่ไหใช้อะไรแทน นี่แรงใช้สัตว์แทนสมัยก่อนนั้นวันนี้มีรถอัอลลอฮ์สร้างรถไม่ได้พูดเรื่องรถแต่อายะอื่นอธิบายไว้อลัลลอฮ์สร้างในสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้อีกเยอะสร้างในสิ่งที่มนุษย์ยังไม่รู้อีกเยอะแต่เนี่ยไอ้ของที่รู้ๆเนี่ยเคยขอบคุณอลัลลอฮ์หรือเปล่าล่ ะ, ะมีสัตว์ไว้เนี่เคยขอบคุณอลัลลอฮ์ไหมโอ้บางทีเอาเอาสัตว์มาใช้ผิดผิดประเภทอะ สัตว์มันเคยร้องไห้มันเคยฟ้องนบีบอกนบีจา๋จาเจ้าของเนี่ยเขาใช้ประชายผิดที่ร้องไห้อะนบีว่านี่คุณดูแลสัตว์คุณไม่ดีนะสัตว์อันนี้มันสำสหรับเอาไว้แบกของไม่ใช่เอามาขี่นบีเตือนตลอดเวลาให้อาหารมันสม่าเสมอสัตว์มันบรรทุก หรือมันแบกมันจัดการเรื่องขนส่งของหนกันกๆอิลาบาลาดินไปยังเมืองหนึ่งลำตะกูโนบาลีที่สูญเจ้าไม่สามารถไปถึงมันได้เราไม่สามารถที่จะพาสินค้าของหนงักๆไปถึงเองเราต้องอาศัยอะไรอาศัยสัตว์ต้องขอบคุณอัลลอฮสุฮานหนะฮฺ อ, อาลาัลลอฮโอ้ไปแค่แค่ช้าง เอาสัตว์อะไรนะเอาไม้จากป่าถ้าไม่มีชางไปไงไม่มีทางไม่มีสิทธ์เลยเอาออกจากป่านไม่มีสิทธิ์เนี่ยใช่ไหมขอบคุณใครขอบคุณ Allah อัลลออ่านอายานี้นึกโอ้นคนที่ขายสูงต้องนึกแล้วนะครับ <S <S อิลลาบิชักิลอัมฟุสเว้นแต่ด้วยความเหนื่อยยากของตนเองเอาออกได้เหมือนกันแต่เหนื่อยมากเหนื่อย แต่ชาายศาสตร์ลำเบาไหมเบาอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณใครขอบคุณอัลลอฮ์ทรงสูญอยู่ต่ออัลลอฮ์ได้เงินได้ทองมาต้องจ่ายสุการแต่เงินได้ทองมาต้องจ่ายสระะก็ได้เงินได้ทองมาต้องจ่ายหะดียะได้เงินได้ทองมาต้องจ่ายวากับต้องจ่ายสีรายการอินนารอบบกุมลาลอูฟุรฮิมแท้จริงพระองค์พระผู้อภิบาลของสูเจ้า รออู้ผู้ทรงเอง็นดูนี่ไงเอ็นดูมนุษย์อย่างนี้เลยสร้างมนุษย์มาแล้วให้สัตว์มาช่วยแล้วก็รอใมผู้ทรงเมตตาเสมอเอาที น, นี้นอกจากขนส่งแล้วอะเวลาไปทําอุ้มระองไปทำพายีก็เหมือนกันก็ใช้สัตว์นี่แหละทีใช่ไหมทาอุ้มระองทำพายีสงครามการฆ่าเห็นไหมทั้งหมดนั้นอรรถ ชี้ทางนำมาไว้หมดเลยพอพูดเรื่องการค้าพวกเราไม่ชอบการค้าชอบเป็นฟาร์มเมอร์ชอบเป็นชาวนาเดี๋ยวนี้ชาวนาน่ะดีนะทำนาปีละกี่ครั้งสามโอ้โหทิ้งได้สองสอ ง, สองแสนทำนาสามครั้งเท่าไรหกแสนดีกว่าราชการเนง้งเห็นไหมมีนาแค่สามสิบไร่สี่สิบไร่นะโอโหเรแข็งแรงไว้แข็งแรง ไปไามานะชีวิตเดิมๆดีกว่าชีวิตอยู่ในสภาพเดิมๆมาสี่สิบปีก่อนจากของแคทดีที่สุดหนึ่งอยู่กับธรรมชาติได้เห็นท้องฟ้าได้อิหมั่นต่ออัลลอฮฺได้ซู่อยู่ได้เห็นแพะเห็นแกะเห็นนู่นเห็นนี้อัลฮัมดุลิลละนึกถึงกุรอานอิยญญาแนนเขียนแปะเอาไว้ที่หน้าประตูบ้านจะได้มองโอ้ฮัมดุลิลละยิ่งหลายลายเอาพี่น้องวันนี้เรือนเรื่องอันน่ารูเรื่องพึ่ง ออกมาเรื่องเนี่ยมัดของอัลลอ์ทั้งหมดจะนั้นให้มีน้ำพึ่งเก็บไว้ที่บ้านนะต้องมีน้ำพึ่งแบบนั้นนะแบบแบบแบบแท้ๆนะนบีชอบทานซอบ้าชอบทานอินทผาลัมให้ทานวันละเจดเม็ดแล้วก็อะไรนะทำให้ร่างกายแข็งแรงอ่ะดื่มนมนมแพะกับนมอูดนกนมนมวันมวน่ะนมแพะกินแล้วครึ่งชั่วโมงเนี่ยย่อยหมด แต่นมอูด ต, ตอนมัวนะ่ะกี่ชั่วโมงอะ่ะหลายชั่วโมงกว่ามันจะย่อยอนมแพะดีกว่าอ้าวนะครับและอิชชาอัลลอ์แล้วก็นำมาทหัรยุทธบ่อยๆร่างกายแข็งแรงแล้วก็หัวใจสะอาดอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอ์ร่างกายแข็งแรงนะครับก็ น, นำเรื่องนี้ไปบอกภรรยาที่บ้านด้วยนะครับสุขภานันลลอฮ์วุ่มาหมดกอัลลอลฮอลลัลอันตะ أستغفرك و ا غ ف ب إ الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته